นักต่อสู้เพื่อประชาธิไตยทุกท่านครับอขอบคุณมากครับในประเทศด้อยพัฒนาเราอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนาสุดๆนะครับแม้ว่าเรามีรถไฟฟ้ามีรถไ้ดิน แต่ว่าจิตสำนึกของนักการเมืองไทยก็ยังเป็นพวกมนุษย์หินอยู่และเขามองว่าประชาชนเนี่ยคือฝูงบัวควายจะหลอกลวงยังไงก็ได้สื่อมวลชนทั้งหมดนะเมื่อกี้ที่บอกว่าสื่อมวลชนทำไมไม่พูดถึงเรื่องราเหล่านี้การต่อสู้ภาคประชาชนเลยผู้แต่ดาราเอากันอย่างตลอดเวลาพูดแต่เรื่องหนังแย่งผัวแย่งเมียกันนะครับ ไม่เคยพูดถึงเรื่องราวที่เป็นสาระให้กับสังคมนี้เพราะต้องการจะให้ประชาชนหลับไหลลืมตื่นนี่ลันดอนนะครับขอโทษนะครับอารมณ์ผมตึงเครียดนิดหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่า <c oughs> คือตอนที่เราล่มนึกพุทธภาหนึ่งปีนะครับหลายคนที่อยู่ท้องถนนนะครับนอนรา บ, บนท้องถนนพอกลับมายิงมาตอนตีสี่กว่าก็จะมีลูกกระสุนลอยริ้วไปบนท้องฟ้าเหมือนดอกไม้ก็สวยดีนะ พอตีห้เราไปอ่านบทกบีให้ทหารลั่นกระสุนยิงผู้บัญชาการมันมันกลับยิงต่ําลงมานะครับเพื่อนผมหลายคนดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เห็นว่ามันทำํำฐานการณ์ฮะโดยการเอาลูกระเบิดเป็นระเบิดตุ่มๆไปใส่ไฟแล้วก็อี ก, อกส่วนหนึ่งก็ทุบแก้วแล้วก็คว้างเข้ามาใส่ประชาชนนะ ค, คนที่นอนอยู่ก็คิดว่ามันปาระเบิดเข้าจริงนะฮะแต่จริงๆแล้วมันสร้างฐานการณ์เพื่อที่จะสลายการชุมนุม ขอลํำลึกเพลงปี2533นะครับก่อนที่มีรัฐประหารรอสช1หนึ่งเพลงครับชื่อหมายเหตุปี2533ปี2533อยาถามว่าดีขึ้นไหมมีแต่ความเน่าเหม็นเฟะทั่วไทยรัฐ ทบานจันไรคํำเมือบเมืองเล่นละครตบต า, าดานดานไม่เคยมีเสียงคานจากหนังสือพิมพ์ชั่วปากกาถูกกดจนหดตัวก็วาดกลัวอำนาจปืนก่อยเงินไปมีขุนทหารก็ตอแหลพูดแต่การเมืองไม่ เกี่ยวกับทหารแล้วใครละรวมแดกจนกิ้งครานสันดานผ่านวิจารไม่ได้ระยำรัดบนตรีก็มีแต่ตัวแดกแต่แปลกประชาชนพูดคุยกันสนุกหรือว่าไปไม่กลับหลับใบลุกป่วยการปุกปล่อยให้หา ย, ยานะ เีหลักสูตรการศึกษาเพื่อยัดหารวมกับพ่อค้าใหญ่อ่านดูมีแต่ตำราก็จันไรมุ่งทำลายให้เยาวชนไทยเป็นกระบื้อพระผองก็หมองัวมั่วสีกาก็หวาดกลัวมาเฟียเี้ยเหลือง เกจิวิเศษก็เต็มเมืองศรัทธาเปืองเปล่าสิ้นกยกินเฮหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีก็จันไรฝูกมัดขาวไว้กับเงินคนชั่วชาพูดจริงทำดีก็กลัวถูกตัดโคดสนาแม่งร่วมกันเข็นข่าประ ช, ชาไทย แนานวๆนวนานวแนนนก็คือนิยามประชาธิปไตยแบบไทยๆเพื comme, Somehow, e ่อนเอ๋ยเราก็รู้เห็นกันอยู่ช่ไหม้มาหาทางเปลี่ยนไทยเถอะเพื่อนมาเพื่อนเอ๋ยเราก็รู้เห็นกันอยู่ชายไม้มาหาทางเปลี่ยนไทยเถอะเพื่อนมา บาเหตุปี2533นะครับยังเหมือนวันนี้เลยนะรัฐมนตรีก็มีแต่ตัวแดกแต่แปลกประชาชนพูดคุยกันสนุกนะแต่ตรงนี้ไม่สนุกแล้วนะครับข้าวราคาแพงมากเมื่อสองเดือนก่อนผมซื้อข้าว370ตอนนี้ซื้อ470ต่อไปจะ500แล้วแล้วคนจนจะอยู่อย่างไรนะครับรัฐบาลไทยก็คิดจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อน า, นายอย่างเดียวนะครับผมขออ่านประกบีหนึ่งบทนะครับชื่อแพง อาชีบบทกบีนะครับปีพฤษภา16ปีพฤษภ า, ป, ภาประชาธิปไตยไม่มีฝูงอ ป, ปรีคลองเมืองคนฝูกเครื่องของแพงข้าวแกงขึ้นราคาชาวนาเดินขบวนรัดกวนตีนเล่นเกมโกงกินเปรมเพื่อนายก่อวุ่นวายไปทั่วปลุกคนชั่ว ป่วนปั่นมุ่งมั่นแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเทิดทูนทักสินจนแผ่นดินแตกร้าวก้าวตรงลงนรกแน่เห็นแก่อำหน้าตนหลอกลวนทนทุกวันมันเห็นแค่แก่นายหน้ามันเป็นแค่นายหน้าของทุนบ้าหวังป่นทุกท่วมทนแผ่นดินมักไม่ยินไม่สนคนจนกระอักเลือดรัดชั่วเชื่อแหกตาน้ำมันมาแพงลิ้วคนท้องเกิ่วทั่วแดน ข้าวแสนแพงทั่วไทยไม่มีใครช่วยแก้อนาถแท้เมืองพุทธฝูงทุนสุดชั่วช้านักการเมืองโลภบ้าเล่นลิ้นเมืองฉิบหายครับอ่าเร็วไปขเขาจ้าช้าหน่อยครับ16ปีพุทสภาประชาธิปไตยไม่มีฝูงอปรีของเมืองคนฝูดเครื่องของแพง ข้าวแกงขึ้นราคาชาวนาเดินขบวนรัดกวนตีนเล่นเกมโกงกินเปรมเพื่อนายก่อวุ่นวายไปทั่วปุกคนมั่วป่วนปัน่นมุ่งมั่นแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเธอทูลทักสินจนแผ่นดินแตกราวก้าวตรงลงนรกแน่เห็นแก่อำนาจตนหลอกลวนชนทุกวันมันเป็นแค่นายหน้าของทุนบ้าหวังปน้นทุกท่วมทนแผ่นดิน มักไม่ยินไม่สนคนจนกะอักเลือดรัดชั่วเชื่อดแหกตาน้ำมันมาแพงเลิว้วคนท้องกิ่วทั่วแดนข้าวแสนแพงทั่วไทยไม่มีใครช่วยแก้อนาดแท้เมืองพุทธฝูงทุนสุดชั่วชานักการเมืองโลภบ้าเล่นลิ้นเมืองฉิบหายส6บหกปีผ่านมาแล้ว ไรวีแววสังคมดีเลือดเนื้อและชีวีพีเพื่อประชาธิปไตยวีรชนต้องบ ว, วาดวาฝูงผีหาผู้ปกครองพวกมันมาจับจองอำนาจไปจันไรจริงเสียดายเลือดวีรชนเขาพีตนเพื่อทุกไทยกับถูกฝูงจันไรนักการเมืองมารวบเอาบนเวียนมาข่มขืนและรุมป้นประเทศไทย วีรชนล้มตายไปเพื่อใครเล่าเพื่อใครเล่าประชาธิปไตยไม่เคยมีแผ่นดินนี้อายุติธรรมอำนาจมืดมันครอบงำและยำยิ่งพี่น้องเอ๋ยและยำยิ่งพี่น้องเอ๋ยจะไลยหนอรัฐบาลหัวถอกกิ้งกอกเพื่อทุกไทยเล่นแงหลอกลวนประชาชนอดตายมันไม่เหลยวแล มันจะแก้รัฐมนูญเพื่อพ่อมันวันนี้มันมั่วนักเราจะต้องรู้เท่าทันใครดีใครชั่วใครมั่วกันต้องยืนยันต้องยืนหยัดประชาชนต่อสู้ไม่สิ้นสุดเพื่อมนุษย์สู่สังคมธรรมปัญญาสองทางนำกำหนดชัยประชาชนขอคาระวะวีรชนพฤษภาประชาิปตยเรายังอยู่สู้ต่อไป เพื่อทุกไทยพ้นทุกทนคาระวะวีรชนพฤษภาประชาธิปไตยเรายังอยู่สู้ต่อไปเพื่อทุกไทยพ้นทุกทนครับขอคาระวะครับ พี่วัชรสิทธิทเขตค่ะนะคะก็เป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับเหตุการณ์ทฤษภามานะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับอีกหลายๆเหตุการณ์นะคะก็อาจารย์นรัฐพงภัยบูลพร้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็รวมด้วยชูเกียรติชาไทยสงจามิกรแสนสิรินะคะ รบกวนนิดนึงนะคะไม่เร้าอาจารย์ได้ยินรูปป่าเมื่อกี้นัดคิวกันเอาไว้นะคะก็มัวแต่เดินไปเดินมานะคะขอเวลาสักครู่นึงขอเรียนเชิญอาจารย์ภับูรณค่ะนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าด้านหน้าที่ลงทะเบียนเนี่ยนะคะจะมีหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะมีบทเพงลงลําลึกพุทธสภ า, า15ปี นะคะแล้วก็มีบทเพลงของคุณสุวิทย์วัดหนูนะคะซึ่ง เ, เครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิตก็ได้ผลิตนำมาแจกนะคะแล้วก็ไปรับได้เลยนะคะก็เซ็นชื่อไว้นิดนึงนะคะว่าเป็นท่านไหนนะคะแล้วก็พร้อมแล้วเนาะ <c oughs> ค่ะพร้อมแล้วก็ขอเสียงตบมือให้อาจารย์นรัตพงไพบย์ค่ะแล้วก็ชูเกียรติชาไทยสงจามิกรแสนสิริค่ะ เดี๋ยวอาจรารย์นาวจะต้องรีบไปงานอีกนะค ะ, ะ, ะค่ะ อ า, อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยเจอหยกน้ำคนที่แบกหามลุยน้ำลุยโคลน คนที่สร้างจากป่าเป็นเมืองรุงเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทําทางทางทางตั้งต้งตนให้คนต่อไป ป่ปาเปลี่ยวเที่ยวไปในทุกถิ่นดังโบกโบยบินพื้นดินเป็นถิ่นอาศัยหน้าเนบเจ็บใจใร้ายหน้าหน้า ชีวาวาเวเชาวคำจำเจเร่ปให้คนเดินตามทุกอย่างเข้าวข้าเหมือนเงาเรื่องรามฟังนานฟังร่างอยู่กลางแผ่นทิ้ พฤศจาคม16ปีพระลัยกัน17พฤศจิาคม16ปีพระลัยกันปากเปล่าเข้าแย้งยันกับปลายปากกระบอกปืนปากเปล่าเข้าแย้งยันกับปลายปากกระบอกปืนอำนาจอัธมโถมเข้าข่มรัฐธรรมนูนขืน กลับสัตว์ประบัดกลืนกระเล็ดเล่น้ำลายตนประวัติศาสตร์ให้ศึกษาว่าอำนาจอาจเปลี่ยนหนไกปืนเป็นไกกลเผด็จได้ด้วยเงินดีไกปืนเป็นไกกลนเผด็จได้ด้วยเงินดีซื้อควายมาเข้าคอกซื้อลูกกรอกกระบอกผีประชาธิปไตยมีแค่ราคาที่ซื้อขาย เด็การเผด็จ ก, จกู้ยังอยู่ยังยังท้าทายให้ย้ำถึงความหมายอันสันเดงแห่งพฤษภาพฤษภาปัญชาชัยอธิปไตยของกวงประชาได้มีและได้มาด้วยแรงมหาประชาชนอธิปไตยของกวงประชาได้มีและได้มาด้วยแรงมหาประชาชน ปรกษาแห่งพิษพาคือต้นกล้าอันแตกกอเป็นต้นไปจากต่อที่ถูกตัดให้เยี่ยนเตียนประวัติศาสตร์ประชาชนประวัติศาสตร์ประชาชนเอาเลือดค้นมันหลังเขียนกี่ร้อยกี่เล่มเกวียนไม่เคยจดไม่เคยจำแก้ไขด้วยการฆ่าคือความบ้า โหด ร, ระหัมฆาตกรฆาตกรรมไม่เคยรับไม่เคยรู้ där. ที่ใดมีกฎขีที่นั่นมีการต่อสู้ที่ใดมีกฎขีที่นั่นมีการต่อสู้ประชาธิปไตยอันตราตรูจักได้มาต้องเรียกร้องจักได้มาต้องเรียกร้องประชาธิปไตยไทย จะอยู่บนพานทองเลือดพี่และเลือดน้องสละสร้างและสั่งสมใช่ใครจักมานำและไม่ใช่เพื่อใครชมวงประชาอันอุดมและดำเนินอยู่โดยในพริกษาแห่งพิษภาคือต้นกล้าอันเกรียงไกรต้นประชาธิปไตยอันเกิดกลางใจกลางเมือง เกิดกลางใจกลางเมืองกลางเมืองและกลางใจจะสืบสารตำนานเนืองยังรุ่งยังรองเรืองขอคาระวะวีรชนขอคาระวะวีรชน เชิญคุณรสนาโตสิตกูลนะคะแล้วก็คุณกองการสืบสายหารมอบของที่ระลึกให้กับอาจา ร, รย์นวรัตนพงไพบูรณ์ค่ะนะคะในนามของมูรณิธิพฤษภาประชาธรรมค่ะ ก็ขอเสียงจบมือให้อาจารย์นวรัตทงไพบูลนะคะท่านต้องรีบไปธุระก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เชิญพี่นกน้อยต่อเลยค่ะครับก็พี่นาต้องรีบไปธุระอีกทั้งสองที่นะฮะส ง, งานก็จะมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งมาเป่าเมัลว อ, อแกนให้นะครับคุณจามิกรแสนสรินะฮะก็เป็นเพื่อนที่เคลื่อนไหวในเหตุการณ์พุทสภานะครับลมลกทุกขานริมถนนลาดําเนินมาตลอดเลยถ่ายภาพ มือมืออาชีพนะฮะเป็นตะกร้อมืออาชีพแล้วก็เต่าฮามอริกาให้เพื่อนหลายๆคนนะครับเชิญตวงตมิกรแสงเสรอครับโ ด, โดนยิงด้วยนะรอดมาได้ยังไงวันเนี้ย <laughs> ครับ <laughs> ทั้งผ่านร้อนผ่านหนาวยาวนานนะ ผ่านทั้งรักทั้งอาบตะวันสีทองที่สองทางอาบแสงเดือนเกลื่อนกระจ่างในคืนเพ็ญทั้งรอยเลือดรอยน้ําตาได้ฝ่าข้ามเคยได้ตอบเคยได้ถามได้รู้เห็นเดินดุ่มในทะเลหมอกอันเฉียบเย็นเคยลำบากยากเข็นก็หลายคราเคยพบรักแล้วก็เคยพลาดรักประจักษ์แจ้ง ความสับสนเสียดแทงเหมือนเป็นบ้าเคยเจ็บปวดชอกช้ำหลังน้ำตาชีวิตที่ผ่านมาสมค่าคนแต่วันนี้ทุกสิ่งที่เคยมีกับผ่านพ้นเต็มอิ่มในความรู้สึกในตัวตนความคิดดิ้นรนเริ่มครอบงำอะไรเล่าคือสาระของชีวิตอะไรคือสิ่งทุกผิดที่ลึกล้ํา เริ่มเกิดเงาเศร้าหมองเข้าจองจำเริ่มเกิดเงาสีดำในหัวใจเริ่มจะมีความฝันอันแปลกหน้าโซ่ตรวนแห่งพันธนาเข้ามาใกล้ชีวิตดำรงอยู่เพื่อสิ่งใดเพียงเปลวไฟคอยการหลับที่ลับลาฉันพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะกลับกลายหรือหายหน้า เดินหนีจากทะเลมหมอกแห่งมายาทั้งศูญสิ้นศรัทธาในฆ่าคนแล้วจะนั่งบนรถบรรทุกศพแล้วจะนั่งบนรถบรรทุกศพบทกวีถึงจุดจบ ก, ก่อนเริ่มต้นยุติการเวียนไหวที่วกวนแยกจากเงามืดมนบนแผ่นดินศพชายไม่ทราบชื่อยังนอนตายเหยียดยาวอยู่ริมถนนราชดำเนิน ใจลอยไกลไปถึงดวงดาวฉันผ่านความร้อนหนาวผ่านความปวดร้าวกลางฟ้าแสนเกลียวไกลสุดแสนไกลไปเพียงผู้เดียวใจเอ่ยใจฉันนั้นแสนเหงาฉันทั้งทำถามโลกแสนงามมีเพื่อสิ่งใด คนเกิดแล้วต้องตายรอวันสุดท้ายชีวิตว่างเปล่าเป็นเศษธุลีในจักรวาลอันกว้างใหญ่ชีวิตไร้คามหมายฉันต้องเดินทางที่เคว้งคว้างเพียงเดียวไดฝันเห็นคนนี้ สาบสูญไปมากมายสีของโลกร้อนแรงเสียดแทงจนแห่งหนายบทลำนำแห่งความตายลืมครอบงำฉันฝันว่าฉันตายเลือดแดงหลังไรไป้าบนดวงดาวหุ่มห่อด้วยหมอกขาวอาบน้ำค้างพรวกลางฟ้าหนาวเย็น โลกพันธ น, นาการมีคนมองเห็นฉันแพ้ภายความหมายที่ต้องเป็น ทางที่เหวงความเพียงเดียวได้ฝันเห็นคนดีที่สาบสูญไปมากมายสีของลูกร้อนแรงเสียดแทงชนแหงนหนบทลำนำแห่งความตายเริ่มครอบงำฉันฝันว่าฉันตายเลือดแดงลังรายตายบนดวงดาว มุมหมอด้วยหมอกขาวอาบน้ำค้างราวกลางฟันหนาวเย็นโลกพันธนาการมีคนมองเห็นฉันแพ้พ่ายความหมายที่ต้องเป็นภาวะตื่นรับพื้นที่ฉันเป็ื ฉันฝันว่าฉันตายนะครับคงจะ อ, อีกเพลงเดียวฮะเพลงสุดท้ายนะฮะชื่อเพลงพันธิตนะครับพันธิต บนหินสีดำโหมกระนำจากลมโหดรายกลางเปลวแดดกลางฝนโปรยปรายสื่อความหมายจากใจปวดร้าวสายนำรี ลังลงรินไหลช้ำชื่นไพรพรึกษาโคดินเลื่อนเมยหมอกปกกลุ่มพื้นดินยังได้ยินก็อไพร้องเพลงลึดดูการมุนเวียน เปลี่ยนไปฟ้าสดใสยังมีมืดมนนกน้อยเจ้าไหว้ฟ้าเวียนวนเจ้าดันโดนคนหาสิ่งใดหนทางเชื่อมโยงกันและกัน รวมทางเกี่ยวพันเรือยมาจำเริญรุ่งเรืองเสื่อมถอยโรยราเกิดมาเพื่อหวังสิ่งใดหวังสิ่งใดยังมีเ้า ในยามราตรีคนดีๆลมทายหายหน้าทะเลเต็มชำ่ำเป็นห้ำน้ำตาป้วงเทพวา่าภายแพ้หมู่มันลึกดูกันหมุนเวียนเปลี่ยนไป เหลือสิ่งใดฝากไว้เหล่าขันชีวิตสั้นดังดอกไม้บานเพียงวันทันผ่านก็ร่วงลงดิน ยามราตรีคนดีๆลมตายหายหนา้าทะเลเต็มชำ้ำเป็นล้ำน้ำตาปวงเทวาพ่ายแพ้หมู่มานลึดดูการหมุนเวียนเปลี่ยนไป เหลือสิ่งใดฝากไว้เล่าขานชีวิตสั้นดังดอกไม้บานเพียงวันผ่านผ่านก็ร่วงลงดินดูคนชมคืนชำเราดูเด็กสาวกรีด ร้องดินนขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือให้ทั้งสองท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็แต่ละครั้งนะคะก็ จะมีศิลปินเหล่านี้แหละค่ะนะคะแล้วก็พี่นกน้อยรวมทั้งพี่ตวงจามิกอนแสนสิริก็ได้อยู่ร่วมกับเหตุการณ์พฤษภาเช่นกันนะคะแล้วก็เราจะมาร่วมลํำลึกถึงเหมือนเล่นอยู่ในในช่วงเดือนพฤษภาเลยเพราะว่ามาเจอกันเดือนพฤษภาเลยเห็นหน้าก็ก็คุณแล้วนึกถึงบรรยากาศนะคะเราจะใช้เวลาตรงนี้เพื่อจะรับฟังบทเพลง ลำลึกถึงเหตุการณ์พฤษภา น, นั้นอีกสองเพลงนะคะจากเดอะแรงสาบโปรเจกต์นะคะแล้วหลังจากนั้นันก็ต้องออทิ้งหน้าที่ให้กับคุณสันติสุกนะคะซึ่งจะมาร่วมดำเนินรายการในช่วงของพระคุณเจ้านะคะก็ขอเซ็นตตัวมือให้เดอะแรงสาบโปรเจกต์ค่ะ จะเย็นๆสักคู่นะครับผมขอเวลาตั้งสายนิดหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะที่เอาผ้ามาพาดค อ, อนี่ผมเห็นศิลปินเพื่อชีวิตเก่าๆเขามาพาดไว้เอามาแขวนคอไว้ เพิ่งรู้ว่ามันมีประโยชน์วันนี้เองนะครับเพาะไวเชตดน้ำมูกน้ำมูกมันไหลไม่ได้ไม่ได้อินอะไรมากนักนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ผ่านมา16ปีแล้วแต่ว่าเป็นหวัน กระแปลกเหมือนกันครับคนเราก็ป่วยกันได้นะครับแต่ไม่เหมือนกับการที่ต่อสู้และเสียชีวิตเหตุการณ์เหล่านี้ล้ำลึกนึกถึงคนป่วยตายในี่ส่วนใหญ่ไม่มีใครล้ำลึกนึกถึงนอกจากคนมีคุณงามความดีเธอคือนักต่อ เธอคือจักสารฟันเฟืองเธอนั้นคือผู้ให้ประชาที่ประไตยรุ่งเรืองเธอคือนกสีเหลืองแห่งเดือนธนสาภา สิบหกปีนี้จาลึกเลือยากเลือนจากความทรงจำสิบหกปีแห่งวีรกรรมวีรกรรมของวีรชนเธอคือวีรชน เธอคือ หลักเลือนจากความทรงจำสิหปีแห่งวีรกรรมวีรกรรมของวีรชนเธอคือว คุณของแผ่นดินครับก็ร่วมลำนึกนึกถึงนะครับก็อย่างที่ว่าพูดไปช่วงแรกวันนี้อาจจะไม่ มีคนน้อยแต่ว่าการบันทึกไว้เรามีการนำนำไปออกทีวีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะรายการอยู่ที่ FMTV ของสันติอโศกหลังจากวันนี้พวกนี้นะครับผมได้เทปบันทึกจากที่นี้ไปผมก็เริ่มไปออกอากาศนะครับชั่วโมงครึ่งบ่ายโมงถึงบ่ายสองมงครึ่งนะครับก็ใครไม่ได้มาพี่น้องไม่ได้มาก็ให้ดูได้นะครับเป็นทีวีผ่านดาวเทียม หลับอยู่ในความฝันอันสดใสปีกเสรียังยิ่งใหญ่อยู่เสมอคนอยู่หลังยังลำพึงคิดถึงเธอหยาดน้ำตาล้นเอรอื้ออิ่มใจสถิตทิพย์อยู่ในวิมานสถานดอกไม้บานประดับยุคสมัย กงล้อประวัติศาสตร์อาจเปลี่ยนไปแต่วิญญาณแห่งไทยเธอทรนง อำนาจมารอำนาจมืดอำนาจเถื่อนแห่งราชดำเนินที่เคยเดินเกาะเกี่ยวแขนร้อยดวงใจหมื่นแสนชนชาติไทยสร้างเกียรติประวัติบันทึกจาลึกไว ลูกหลานไทยได้สืบทอดเจ็ดจำนงขอสาดดุดีวีระชนขอสาดูดี ที่เคยเดินเกาะเกี่ยวแค้นร้อยดวงใจหมื่นแสนชนชาไทยสร้างเกียรติประวัติบันทึกจาลึกไว้ลูกหลานไทยได้สืบทอดเจตจำนง ขาสาด บทเพลงที่เล่นก็ไม่ได้เล่นทั่วไปนะครับค่ะเป็นบทเพลงที่เขาเรียกว่าการกองออกมาจากเหตุการณ์การต่อสู้นะคะก็บทเพลงเหล่านี้เขาเรียกว่าบทเพลงแห่งการต่อสู้ บ, บทเพลงที่มีคุณค่าคนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณวงเดอะแมลงสาบโปรเจกต์ค่ะนะคะในช่วงของเวทีวัฒนธรรมช่วงแรกนี้ก็ต้อง หยุดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเซวนาธรรมนะคะแล้วก็จะมีเวทีวัฒนธรรมอีกช่วงหนึ่งนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬกานะคะก็ในช่วงนี้ขอเรียนเชิญคุณสันติสุขโสพลศิริค่ะนะคะจะเป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อรือการเมืองไทยไล้ทางออกนะคะ ตอนนี้ค่ะพี่ไก่ช่วยดูแลด้านหลังนิดนึงนะคะตอนนี้ต้องต้องขอเรียนเชิญคุณสันติสุขนะคะไดมาร่วมพูดคุยกันก่อนนะคะเพื่อค่าวเวลาก่อนนะคะ <laughs> นะคะอขอเซ็นต์ตัมือให้คุณสันติสุขค่ะนะคะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการต่อจากซันนะคะ <laughs> ก็ในในเรื่องของขอไม้ได้คะ่ะพี่ป้อมคะขอขอไม้ขอไม้ เดี๋ยวเอานี้ก็ได้ค่ะนี่เดี๋ย ว, ยวะ ค, ะค่ะคุณสันติสุขคะเดี๋ยวสักครูร่หนึ่งก็คือ ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการสเสด็จวนาธรรมนะคะคของอพระคุณเจ้าพระไพยศารวิสารโ ร, รนะคะก็ต้องทิ้งหน้าที่ให้กับคุณสันติสุขนะคะคุณสันติสุขนี่ก็เราเพิ่งเจอกันเร็วๆนี้นี่เองนะประชุมใช่ไหมคะที่อนุสร14ตุลาครับใช่ครับคุณสันติสุขเนี่ยจริงๆสันเพิ่งทราบด้านหลังเวทีว่า เป็นอ ะ, อะไรนะคุณรถคษณาเป็นคูส่สร้างคู่สมนะคะจริงๆแล้วคุณโฆษณาตศวีตระกูลเนี่ยเป็นขวัญใจของเป็นสวขวัญใจประชาชนเลยนะคะอันนี้อันนี้รับรองได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณโฆษณาเนี่ยมีการต่อสู้ของภาคประชาชนอย่างมากมายแล้วก็เป็นบุคคลที่พวกเราชาวไทยเนี่ย ไม่อาจที่จะลืมได้เลยกับการทำหน้าที่ของคุณรสนาในที่นี้ขอเสียงตบมือให้คุณรสนาโตสิทธกูลด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น เ, เรื่องของอาการรักษาไว้ซึ่งสมบัติชาตินะคะคเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่ไก่นะคะก็ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทิ้งหน้าที่ไว้กับคุณสันติสุ ข, ขค่ะขอเสียงตบมือให้คุณสันติสุ ข, ขค่ะ ของกรบาบเรียนกราบนับกบัณการนะครับท่านพระอาจ า, ยารย์ไพศาลวิสาโลนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วินัยสมอูรนะครับคุณรักวินลีชนะวานิชพันธ์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะครับที่จะมาให้ทางออก กับเรานะะในหัวข้อรือการเมืองไทยจะไร้ทางออกนะครับขอเรียนเชิญคุณรั ก, กวินนะครับไม่ทราบมาไม่มาถ้าไม่มานี่ไม่ทราบว่าต้องเชิญท่านใดมาแทนไหมครับขอเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ดรโคทมนะครับ <c oughs> เอาไปก่อนนะฮะไป เพื่อนมิตรนะครับพุทธสภาประชา ธ, ธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการเข้าใจว่าตั้งแต่เช้านะครับจนกระทั่งถึงยามบ่ายนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนักแต่เขาเชื่อว่าเป็นผู้เข้าร่วมที่เป็นแอคทีฟซิตี้เซนนะครับที่แข่งขันนะครับวันนี้เป็นวาระนะครับครบรอบ16ปีนะครับของเหตุการณ์ เดือนพฤษภานะครับตั้งแต่ปี2535นะครับและปกติใน16ปีผ่านไปเนี่ยเราหน้าที่จะหาทางออกที่ไปจากความขัดแยง้งความรุนแรงได้มากกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับและเสียใจที่วันนี้นะฮะเราก็ยังมาย่ำกัอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อรือ การเมืองไทยจะไร้ทางออกนะครับท่านผู้รัยที่มาในที่นี้นะครับก็คงจะมีความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันนะครับว่าสภาพการเมืองไทยในเวลานี้เนี่ยกำลังจะมาถึงจุดที่ตีบตันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าะจะเกิดบรรยากาศคล้ายๆกับเหมือนน้องๆ เหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกครั้งหนึ่งนักวิชาการทางการเมืองหลายท่านนะครับที่สะท้อนออกมาทางสื่อเนี่ยพูดถึงขนาดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ขนาด6ตุลา2519เลยดยซ้ำไปนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะถ้าท่านทั้งหลายได้อ่านสุดพิมพ์หรือเปิดในเว็บนะครับก็จะพบนะฮะวัฒกรรมที่ถกเถียงกันในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างมากก่อนอื่นเนี่ยผม ขอโค้ดนะครับคำพูดของอาจารย์ดรเกษนเตชะพิระนะครับที่ท่านก็ได้เสนอทางออกสั้นๆนะฮะลงในมติชนรายวันเมื่อวันที่9พฤษภาคมนี้เองนะครับโดยสิ่งที่ท่านเสนอเนี่ยอาจจะเป็นเพียงประเด็นเดียวนะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่ตรงกับหัวข้อในวันนี้นะครับท่านบอกว่า ขนทางที่คนไทยจะหาทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องต่างๆที่กำลังเข้มงวดตัวขึ้นในปัจจุบันโดยไม่ต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันเองจนนองเลือดเหมือนที่ผ่านมาและที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกก็คืออย่าทำให้คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกลายเป็นประเด็นการเมืองนะท่านท่านชี้ประเด็นเดียวนะครับอย่าใช้สถาบันกษัตริย์ เป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหากต้องยึดมั่นให้คดีเหล่านี้ดำเนินไปตามคันลองของกฎหมายโดยวิธีทางแห่งกระบวนการยุติธรรมอย่างที่มันควรจะเป็นจนถึงที่สุดนั่นคือผิดเป็นผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายไม่ผิดเป็นไม่ผิดและได้รับอิสระพ้นมนถินไป นี่ต่างหากคือวิธีป้องกัน ร, รักษาประชาชาติบ้านเมืองและสถาบันประช์ให้มั่นคงปลอดภัยจากไฟแห่งความขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองดีที่สุดเมื่อ32ปีก่อนเหตุการณ์6ตุลาคมพศ2519ที่ธรรมศาสตร์เกิดขึ้นนี่ท่านไม่ได้พูดเรื่องเดือนพฤษภาแล้ครับย้อนไปถึง6ตุลานะครับและดาเนินไปสู่การนองเลือดจากองค์ประกอบเหล่านี้คือ มีการกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีการกล่าวหารัฐมนตรีบางรายว่าเป็นคอมมิวนิสต์และเดินขบวนกันไปล้อมทำเนียบรัฐบาลด้วยบทเรียนในอดีตที่เรามีสังคมไทยต้องช่วยกันยับยั้งซึ่งกันและกันให้หยุดอย่าเดินต่อไปตามเส้นทางสายเก่าสู่สถานการณ์อย่างหกตุลานะครับอันนี้ก็เป็น คำเตือนนะครับของนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับที่ท่านก็มีผลงานวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยออกมาค่อนข้างมากในช่วงระยะนี้นะครับเพราะ น, นั้นเนี่ยในวันนี้นะครับเราก็ถึงแม้จะเข้าคิดว่าวิทยากรอย่างน้อยเวลานี้นะครับเรามี2ท่านซึ่งท่านได้ทำงานทางด้านศาสนาเพื่อสังคมแล้วก็นำเอานะฮะหลักทางศาสนาธรรมของแต่ละศาสนานะครับ มาใช้ในการหาทางออกให้กับวิกฤตนะครับทางการเมืองวิกฤตของชาติเนี่ยโดยสันติวิธีก่อนอื่นในผมก็จะขอนะครับแนะนำวิทยากรทีเดียวเลยนะครับโดยท่านแรกนะครับคือตามอาบุษโสกแล้วกันนะครับู้ยยัยก็ไม่เป็นไรครับท่านอายุมากกว่า <c oughs> ท่าน อ, อ, อาจารย์วินัยสมูนนะครับ ท่านเป็นอิหม่ามมัสยิดกามาอูลอิสลามนะครับกามารุนอิสลามนะครับขอประทานโทษนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุธนะครของท่านจุฬาราชมนตรีแล้วก็เป็นคุรุทางภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ท่านทางความมือของกระผมนะครับก็คือท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับก็นี่ตกมือไม่ได้นะครับ ท่านผู้นี้นะครับหลายท่านคงรู้จักท่านดีว่าท่านทํางานต่อสู้นะครับทางด้านสัติวิธีมาตั้งแต่ก่อนบวชตั้งแต่ครั้งเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้เองนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้ที่อยู่ในถือว่าในใจกลางของเหตุการณ์6ตุลานะครับเพราะท่านก็อยู่ในธรรมศาสตร์ในวันที่มีการล้อมปราบนะครับโดยท่านเนี่ยผมจําได้ว่าท่านประท้วงอดอาหารนะครับกำลังเตรียมตัวที่จะอดอาหาร ในในในวันที่6ตุลานะครับแล้วก็ท่านก็ถูกจับแล้วก็เคยเป็นเขาถือว่าเป็นนักโทษทางการเมือง น, นะครับแล้วก็ถูกจับกลุ่มคุมขังอยู่ระยะหนึ่งนะครับแล้วท่านก็ออกมาต่อสู้มาตั้งองค์กรนะฮะประสานงานศาสนาเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ทํางานอย่างแข็งขันในเรื่องของออสิทธิมนุษยชนแล้วก็การหาทางออกจากความรุนแรงโดยสันติวิธีนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยท่านก็มาทํางาน ทางด้านที่เราเคยได้ยินชื่อเสียงก็คือคณะกรรม ก, การสมานะฉนใช่ไหมครับที่หาทางออกเสนอกรัฐบาลในเรื่องของความรุนแรงในสาจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยท่านก็เป็นสมภารวัดป่าสุกโตนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็ท่านเป็น เ, เป็นประธานด้วยรลาัของเครือข่ายพุทธิกานะครับเป็นเครือข่ายของชาวพุทธนะครับที่ทางาน บําเพ็ญประโยชน์นะฮะทางด้านศาสนาโดย ท, ที่ท่านเรียกว่าจิตอาสา ค, คือทํางานด้วยจิตใจแล้วท่านก็ทํางานที่สําคัญอีกด้านหนึ่งคื อ, อดูแลผู้ป่วยนะครับหรือคนที่สนใจในการเตรียมตัวตายอย่างมีสตินะครับซึ่งอันนี้ก็สังคมไทยเนี่ยก็น่าจะต้องเตรียมตัวอะไรอย่างมีสติเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาแทนวิยากรที่ท่านาไม่ได้มาที่เป็นสุขภาพสตรีนะฮะคือท่านรันะะวินเนี่ยไม่ได้มาก็ ท่านอาจารย์ดรโคธมอริยานะครับก็ข อ, อกาวเปลี่ยนเชิญ น, นะครับซึ่งความจริงเนี่ยผมแทบไม่ต้องแนะนำบทบาทของท่านมากนัก น, นะครับนอกจากว่าในปัจจุบันเนียท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านก็จะมาให้ความเห็นของนักวิชาการที่คร่ำวอดนะครับในด้านการต่อสู้ทางด้านสันติวิธีนะครับ ในอนันดับแรกนะครับผมก็ขอกาเรียนท่าน อ, อ, อาจารย์วินัยสมอุล น, นะครับเป็นท่านแรกนะครับไม่เป็นไรครับเป็นท่านแรกครับมัสากรบท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสิ่งที่ทางด้านท่านพิธีกรในประลบเมื่อสักครู่นี้ ก็คงไม่ใช่เป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของคนทั้งหมดที่อยู่รวมกันเป็นชาติเดียวกันคือชาติไทยการหาทางออกที่แท้จริงเนี่ยผมว่าอยู่ตรงที่เราจะจุดประ ก, กายให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันมันเกิดขึ้นอย่างจริงใจจริงจังแล้วก็ไม่มีความระเกียดเดียดชันซึ่งกันหรือเปล่า ในจุดหนึ่งเรามักจะเรียกกันว่าเป็นเรื่องของความสมารชันถ้าเราสามารถที่จะรักษาความสมารชันของเราในหมู่ประชาชาติไทยของเราได้อย่างสมบูรณ์ร0อร์ซไม่ใช่สมรรถันแต่เฉพาะปากอย่างเดียวแต่ต้องสมรรถันลึกลงไปในถึงจิตใจของเราด้วยผมคิดว่านั่นคือทางออกที่ดีที่สุดที่เราจาเป็นจะต้องช่วยกันสร้างสิ่งที่ผมอยากจะเรียน ก็ท่านก็คือว่าความสมารฉันที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายต้องยอมรับความหลากหลายในประเทศชาติของเราอีกคําหนึ่งก็คือความเป็นตัวของตัวเองสามคำนี้ต้องอยู่ด้วยกันครับทางออกของประเทศเราจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามสามคำนี้อยู่ด้วยกันเมื่อไหรเมื่อนั้น เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองหรือปัญหาอื่นๆก็ต่างเลยนะครับคือหนึ่งความหลากหลายเราก็จะต้องยอมรับว่าคนไทยเราเนี่ยมีความหลากหลายนั่นก็คือความหลากหลายที่สรุปแล้วก็มีสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือด้านวัฒนธรรมและที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมมีอยู่ หลายส่วนแต่ผมจะขอเรียนว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความหลากหลายทางศาสนาและเท่าที่เราได้ทราบจากทางราชการเขาก็บอกว่าเขารับรองกันอยู่หศาศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาสิกแลวศาสนาฮินดูแต่ที่จริงในประเทศไทยของเรานี้ก็มีเกินไปจากห้าศาสนาบางทีรัฐก็ลืมรับรอง ครั้งหนึ่งเนี่ยฝ่ายความมั่นคงได้โทรศัพท์ไป ห, หาผมว่านอกจากห้าศาสนาเนี่ยอาจารย์คือหมายถึงผมเนี่ยมีความเห็นว่าควรจะรับรองหรือไม่ผมก็ถามว่า ก, การปกครองของเราเป็นพระบบประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่หรือแล้วก็ในรัฐธรรมนูญอย่างน้อยที่เกี่ยวข้องกับผมในตอนท้ทายๆก็มีอยู่สองสามฉบับ ก็ได้ให้สิทธิเสรีภาพในเรื่องการนับถือาศาสนาเอาไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นาศาสนาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในประเทศนี้มีสิทธิเท่าเทียมกันและก็ทุกคนจาเป็นจะต้องยอมรับไว้ซึ่งกนและกันเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าในเมื่อเรารับรองหาศาสนา <c oughs> ก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรต่อการที่เราจะรับรองกี่าศาสนาก็ตามที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยของเรา เพื่ให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติตามที่เจตํานงของรัฐธรรมนูญ ข, ของเราได้กำหดอเอาไว้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าในใจของผมเราอยากจะได้การรับรองอย่างอย่างเป็นธรรมแล้วก็อย่างมีความคิดที่บริสุทธิ์ต่อกันและกันและอันที่สองก็คือเรื่องของเชื้อชาติซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเชื้อชาตินี่ ถ้าเรานับกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุ ธ, ธยาเนี่ยโอ้ยมีหลายเชื้อชาติเหลือเกินทางด้านฝรั่งก็มีทางด้านอิสลามก็มีส่วนทางด้านพุทธนั้นก็มีเชื้อชาติไทยของเราเป็นเป็นหลักอยู่แล้วเป็นพื้นฐานของสังคมไทยของเราอยู่แล้วแต่อย่าลืมมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็มีหลายเชื้อชาติเหลือเกินที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยของเราอย่างเช่นโปรตุเกสกรีกอังกฤษ ทางได้สลามเราก็อย่างเช่นอาหรับเวอร์ชียมลายูท่านก็อาจจะสงสัยว่าอตอนนี้ผมนี่มันมาจากเชื้อชาติไหนบอกตรงๆว่ามาจากเชื้อชาติมลายูรัฐเราได้ในสมัยราชการที่หนึ่งก็พาบัณบุรงผมมาทัศนาจรุกรุงเทพติดใจเลยอยู่กรุงเทพมาถึงกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครั้งแรกมาราชการที่หนึ่งี่พันคน ราการที่สามมาอีก6 0พ0คนบราพผู้หลุษในรุ่นนั้นมากันประมาณหมื่นคนถ้าหาหนังสือที่ให้ตัวเลขนี้ไม่ขาดเคืนนะครับก็ประมาณนั้นในส่วนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดเอากันว่าในปัจจุบันในความรู้สึกเป็นอย่างไรผมอยากจะเรียนว่าความรู้สึกของทุกคนเนเรามีความรู้สึกในความเป็นไทยมา 100% ถ้าเรานิยามความเป็นไทยไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติและศาสนานั่นก็คือนิยามด้วยควาว่าสัญชาติซึ่งหมายถึงว่าความเกี่ยวพันกับเรื่องของการปกครองการเมืองต่างๆนาน า, า, า, าที่มีสิทธิเต็มที่ประกอบไปด้วยกับสิทธิเสรีภาพหน้าที่และอะไรอย่างอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นคนไทยทุกคนในฐานะที่ถือสัญชาิ แต่ถ้าหากว่าเราไปแปลคําว่าไทยนี่หมายถึงาศาสนาและเชื้อชาติแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ได้กันต้องแยกออกมาให้ออกว่าเรื่องเชื้อชาติเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของทุกคนไม่ใช่มีแต่เพียงเชื้อชาติของกลาวยังมีเชื้อชาติจีนมีอะไรมากมายก่ายกองนะีมอญก็มีอะไรต่างๆก็นเนี่ยบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งท่านประกาศ ต, ตัวเองอย่างเช่นคุณอนันต์ปัญญาชูน้องบอกว่าคุณแม่ผมก็เป็นคนจีน คุณชวนหลีภัยในฐานะผู้นําประเทศเป็นอาวุโสอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็บอกท่านก็เป็นคนจีนอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายต่อการที่เราจะเป็นสัญชาติไทยแต่ประการในดและเรื่องศาสนาก็อธิบายไปแล้วว่าเรามีขยัน้อยหศ า, าสนาและก็มีอีกมากมายศาสนาในประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะแยกแยะให้ออกว่าเชื้อชาติเป็นเรื่องของประวศาสตร์ชีวิตซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนกันหรอก แต่ว่านโยบายรัฐนยมตั้งแต่สมัยผู้นำประเทศคงไม่ไม่อยากจะออกเอ่ยนามของท่านนะครับเพราะไม่ได้ขออนุญาตเพราท่านเสียชีวิตไปแล้วตราบใดที่ย้นตลนมาเนี่ยความรู้สึกในทางรัฐนิยมเนี่ยมันก็ทำให้ความคิดของคนไทยเราเนี่ยมองไปในลักษณะที่ไม่กมเกี่ยวกันเท่าไหร่โดยคิดว่าเป็นคนไทยต้องเป็นนำถือศาสนานั้นต้องเป็นเชื้อชาตินั้น ถ้าหากว่าเชื้อชาติของคุณยังไม่ไม่เป็นมาจริงเ ก, ก็มาเปลี่ยนสิอะไรทำนองนี้ซึ่งผมคิดว่าวิธีนี้ไม่ทําให้การแก้ไขปัญหาของชาติเกิดขึ้นได้อย่างเบ็ดเสร็จร้อเปรซแต่ถ้าหากว่าเราแยกแยะตัวนี้ออกมาให้ออกขอย้ำว่าเชื้อชาติคือประวัติศาสตร์ของชีวิตศาสนาเป็นวิถีของวัฒนธรรมแห่งชีวิตแล้วสันชาต นั่นคือปัจจุบันของเราที่มามีความรับผิดชอบโดยตรงต่อประเทศชาติของเราซึ่งทุกคนในเมื่อได้รับกิจได้รับศักดิ์ศรีเหมือนกับธิรธรรมนูญได้เขียนเอาไว้ว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ในเมื่อยอมรับกันตรงนี้เนี่ยผมมีความมั่นใจว่าประเทศชาติของเราเนี่ยจะรวมตัวกันอย่างเป็นปึกแผ่นที่สุดยากที่จะประเทศอื่นจะมีและข้อสําคัญที่สุดก็คือขอย้าในตอนท้ายว่า สามคำพูดนี้เอาไปเรียงให้ดีความหลากหลายความสมบสมานฉั น, นและความเป็นตัวขตัวเองถึงแม้เราจะมีความสมานชันกันขณาไหนก็ตามแต่ความเป็นตัวตนของตนนั้นต้องได้รับสิทธิ์ต่อสังคมนี้ในการที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่ไม่ละอายผมใส่หมวกผมก็ไม่ละอายต่อการที่ผมจะใส่หมวกพระอาจารย์ท่าน ใส่ชีวร น, นะครับท่านก็มีเกียรติในศักดิ์ศรีในสังคมไทยของเราแล้วก็ยังมีอีกพวกเราที่เป็นคนไทยเราเนี่ยแสดงสั ญ, ญลักษณ์ทางศาสนาโดยกับเครื่องแบบที่ตนเองมีอยู่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายแต่ประการใดๆแต่ถ้าในจิตใจของเรายังปราศจากความสมรรถชันในรักษาอย่างนี้นะครับพอไปเห็นใครแตกต่างกับตัวเองสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกนังเกียรติเด็ดฉันอะไรขึ้นมาความเป็นธรรมทางความคิดได้ไม่เกิดในฐานะที่เป็นมุสลิมนี่นะครับ ผมอยากจะเรียนคําสอนของอิสลามจากอัลกุรอานอยู่บทหนึ่งจะขออนุญาตอ่านเป็นภาษาหรับสักนิดหนึ่งเป็นคําเ่ลกุรอานเป็นภาษาหลับนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเวลาเยจิมันนกุนชนะอานุก้ามินอัลัลลาฮตะดิรุซึ่งมีความหมายว่าอย่าปล่อยให้ความรังเกียจคนกลุ่มใดเนี่ยเข้ามาเป็นอาญา ก, กรรมในใจของท่านแล้วมันจะทําให้ท่านไม่มีความเป็นธรรม ตั้งแต่ความเป็นธรรมทางความคิดขึ้นไปจนกระทั่งถึงความเป็นธรรมในด้านภาระหน้าที่ต่างๆก็ตามครับในรอบแรกนี้ขอตรงนี้ก่นอนเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับครับท่านก็สรุปได้ลึกซึ้งมากนะครับแล้วก็ากาววท่านเองนะฮะเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของความหลากหลายนะครับความหลากหลายเป็นความงดงามนะครับ ความหลากหลายเนี่ยที่ท่านเน้นหลักๆ ก, ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางความเชื่อนะครับทางศาสนาแล้วก็เชื้อชาติอันนี้สําคัญมากแล้วก็ที่น่าเสียใจยก็คือว่าในช่วงยุคที่ท่านบอกว่าคู่นําประเทศที่เชื่อในเรื่องรัฐนิยมสมัยนู้นนะฮะก็ทําพยายามจะสร้างเอกภาพนะฮะในลักษณะที่บีบบังคับนะครับแล้วก็ผลปรากฏมา จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับจริงๆปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครััฐทีในเรื่องของรัฐทนิยมก็ดีนะครับอันนี้ทำลายนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของอประชาชนประชาชาติที่มีความเชื่อที่หลากหลายและเชื้อชาติที่หลากหลายและความลัทศาสนาด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็ท่านย้าว่าสมานฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องทําให้เหมือนกันหมดสมานฉันต้องมีความแตกต่างหลากหลายความงดงาม แล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วก็คําในกุรรานที่ท่านให้มือตะกี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับในสถาน ก, การณ์ต่างๆที่มีความขัดแย้งรุนแรงนะครับก็คือว่าอย่าปล่อยให้นะครับการรังเกยียจเดียดฉันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มีความคิดเห็นต่างจากเราที่มีเชื้อชาติต่างจากเรามีาศาสนาต่างจากเราเนี่ยเป็นอาทยากรรมอันนี้คือเป็นสิ่งที่